أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل و سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم وبيشرح لي, الح لي صدري و ي س ر لي أمري وأحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا عل وزدنا علما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمن แ ن ا วน ا ก ن นนั <ت <ت um <t <t <t ้นเ ن ็ ر ผู้แพ้พ ر ن บุญคุณที่ ه ระองค์ทรงกร ا ณ ش ให الحمد ด ل รับความเมตตากรุณาจากพระคระองคให้เราเราะอ์ระได้รเราะอ์พรครงให้าไับควเราะอ์พรราเกระอเาบาะะอาาุ้เราัเกออเราครุ หลังจากนั han, ้นก ah. ็เป uh, ็นสุราตุดุคานแล้วก็สุราตุลแจซียะก็จะหมดในจุดนี้อินชาอัลลอ์นะครับสุราตุลุครฟมีทั้งหมด89ข้อไม่รู้ว่าจะทันจบก่อนรอมฎอนหรือเปล่านะครับพยายามเราจะพยายามให้ทันจบก่อนรอมฎอน จะได้ไม่ต้องเว้นช่วงนานจนเกินไปเดี๋ยจะกลับไปดูว่ามันมีทั้งหมดอีกอกี่สัปดาห์รมฎอนเราต อ, อนนี้ก็ก็สองเดือนกว่าๆนี้เดือน j ุม a ดัซแนน่น่าจะเข้าสัปดาห์ที่สองแล้วนะครับก็ประมาณหกสิบประมาณแปดสิบวัน วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วเดือนยูมาดือนแซนี้วันที่สิบสองแล้วนะครับเกือบจะครึ่งเดือนแล้วอานะอัลลอฮ์อัลลอฮ์มูสตางันอัลลอฮ์มูฟฟิกนะอัลลอฮ์มูฟฟิกนาะขอละตั๋ลประธานเต้าฟิชให้กับเรานะครับได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆในคมภีร์ของพระองค์จะได้เป็นสเสบียงในการใช้ชีวิตตามคำลองที่พระองค์พอพระทยัยอัลฮัมดุลิลละ มาดูกันนะครับสุรทศสุครุฟวันนี้เราอ่านตั้งแต่1ถึงอายัดที่8อายัดที่1ถึงอายัดที่8นะครับเป็นตอนแรกสำหรับสุรษนี้ถ่ายเอกสารกันมาแล้วใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมอู๊ดุบิลลาฮิมินัลชัยิตานิรลรจีม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب المبين إِنَّا ج َ ع َ ل ْ ن ه ُ قُرآنًا ع ََ ب ِّ ع ََّ ك ُ ت َِ ل ُ و ن وَإِنَّهُ فِي أ ُ م ّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أفَنَظْرِبُ عَنْكُمْ ذِكْرَ صَفْحًا أَنْكُونَ قَوْمًا مُسْرِفِينَ <ت ص في ق> وَكَمْ أَرْسَلْنَا ว ل ากันเَาส ا, ن إ ي ن َกบِ ي ใ ي ตอนแรกและไม่เคยมีِักّุญมาถึง ا ขาจนกว่าเขาจะรับรู้ แต่เราไม่รุนแรงกวَ م พวَเَาแต أ َรَไ ل ่ไดَท ل ให้พ สุรัต uh ุจัครฟ์เป็นองครับอักรฟแปลว่าอะไรอัครฟหมายถึงการประดับประดาการตกแตง่งลวดลายปกติเราใช้คำว่ามัสยิดเราไม่ค่อยมีจุกรฟ์เท่าไหร่ <laughs> เวลาที่ไปดูมัสยิดใหญ่ๆโตๆในประเทศอาหรับที่มันมีลวดลายเนี่ยภาษาอาหรับเขาจะเรียกว่าจักรฟ f เอามาจากไหนชื่อนี้ในโซร์นี้ละต่าเาจะมีอยู่จุดหนึ่งอายัดหนึ่งที่พูดถึงซุครุฟซุครุฟันเปรียบเทียบดุนยานี้เหมือนกับความสวยงามที่มันสวยแต่มันเป็นเรื่องชั่วคราวดุนยาเป็นเรื่องชั่วคราวซุครุฟและละต่าใช้คำว่าซุครุฟเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันนะครับเวลาถึงอายัดของมัน สุราตุซุครุฟเป็นหนึ ah ah. ah ah ga, aa, ่งในจานวนสุราพ่นองกับสุราที่เราอ่านไปก่อนน้านี้ไม่ว่าเป็นสุราตุชูรุราตุฟุศิลเป็นสุราพ่นองที่ขึ้นต้นด้วยอะไรครับฮามมุราตุลฮาวามิมฮามมเป็นสุราหมักกิยาเป็นสุราที่ถูกประทันลงมาก่อนที่ท่านนบีจะอพยพไปยังนครมาดีนะสุรานี้แน่นอนว่าเนื้อหาของมันเกี่ยวข้อง โดยหลักเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับการเชิญชวนพวกมุชริกีนพวกุไรมให้ศรัทธาต่ออัลกุรอานอลกีรินเรียกร้องให้พวกมุชริกนยอมรับใน ว, วฮะฮิยุของอัลลอฮ์ในอัลกุรอา Allah. นของอัลลอฮ์เนื้อหามันในี่ใกล้เคียงมากนะครับกับสุรัตุชูรอสุรัตุชูรอก็เป็นสุราที่พูดถึงประเด็นเรื่องวะฮยุประเด็นเรื่องอัลกุรอานนี่แหละ แต่ว่าในสุรทูซุครุฟเนี่ยอาจจะมีเรื่องเพิ่มเติมเข้ามานิดหน่อยเราจะเห็นว่าในสุรทูซุครุฟละตัลลาพูดถึงนบีสามคนในสุรทูชูร่พูดถึงชาละเลตุมมินะดีนอุลุลอซมมินะรุซุลจะมักฮับรุซลที่เป็นอุลุลอซมี มัเป็นนบีนูฮ์บีมูซานบีอีสานบีมูนบีมูซาอี ي มาถึนซุ่รเนี่ยจะแยกเอาตัวอย่างของนาบีสามคนมาพูดเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องราวของนบีอิบราฮมนบีมูซาและนบีอีเพราะว่าพวกมุชรินคนเหล่านี้มุชรินเหล่านี้ ปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธที่จะยอมรับสัทธาต่ออิสลามต่อท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลลัมด้วยการอ้างไปยังบรรพบุรุษทั้งสามคนเกี่ยวข้องกับนบีสามคนนี้พระศาลก็เลยเอามาพูดเราจะดูกันว่ามันเกี่ยวข้องยังไงแต่โดยเนื้อหาหลักๆแล้วก็คือกําลังพูดถึงความสําคัญของอัลกุรอานุลกิริมพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานุลกิริม พูดถึงความจำเป็นที่มนุษยชาติจะต้องยอมรับอัลกุรอานุลกีรมสังเกตนะครับทุกๆสุรษที่เริ่มต้นด้วยอูรุฟโมกตตอะอลิฟลามีอลิฟลามรอหรืออูรุฟที่มันขึ้นต้นแต่และสุรษแต่สุรษเนี่ยสังเกตได้เลยพอขึ้นต้นด้วยหุรุฟโมกตะตเสร็จปุ๊บ อายัต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึงอัลกุรอานทันทีเพราะอุรุษต่างๆที่เป็นอุรุษมกุกัตอะฮ์เหล่านี้เป็นการท้าทายชาวอาหรับอาหรับไม่เคยได้ยินการใช้ภาษาหรือว่าการใช้ประโยคแบบนี้ในภาษาอาหรับชาวอาหรับชาวกุไรชเป็นพวกที่เชี่ยวชาญภาษาอาหรับอย่างมากแต่ไม่เคยได้ยิน ยูดีดีพูดขึ้นมาอลิฟลา ม, มีไม่เกด้ยินน่ะเป็นการท้าทายประนึ่งว่าพวกรช์เอยพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าเนี่ยเก่งภาษาอาหรับแล้วใช่ไหมแล้วพวกเจ้าก็คิดว่าอัลกุรอานที่เราประทานลงมาเนี่ยไม่ใช่ของจริงอัลกุรอานที่เราประทานลงมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะสัลลัมคิดค้นขึ้นมาเอง โอเคถ้าพวกเจ้าคิดว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งที่มุฮัมมัดคิดค้นขึ้นมาเองไหนพวกเจ้าลองทำมาให้เหมือนอัลกุรอานสักหน่อยสิอัลกุรอานก็มาจากอูรุฟอัลิฟบาตาซาจิมจนกระทั่งยานี่แหละถ้าเจ้าคิดว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดขึ้นมาเองไม่ได้มาจากอัลลอห์ไหนลองทำอัลกุรอานมาสิเอาฮุรุฟพวกนี้มาทําสิทําได้ไหมทําไม่ได้อ่านี่คือหนึ่งในจํานวนการตัดสิบของบรรดาอุลามะเป็นการตากจี๊ ไอพวกนี้รู้สึกตัวว่าอัลกุรอานมาจากอัลลอฮ์ ت ع ا จริงๆสุง سبحان อัลลอฮ์มาดูกันฮามีมเป็นฮุรุฟมุกตัะนะครับว่าฮรุฟเหล่านี้เป็นฮุรุฟที่มีอยู่ในอัลกุรอานเป็นฮูรุฟที่อัลลอฮ์ ت ع ا ใช้มันในอัลกุรอานวาพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าสร้างประดิษฐ์อัลกุรอานขึ้นมาเองได้ไหนลองทำดูสิทำไม่ได้แน่นอน นะครับไม่มีใครสามารถที่จะหลอกอะไรนะเขาเรียกนะจะเรียนแบบ เ, เรียนแบบอัลกุรอานแม้กระทั่งในอัลก็ไม่ได้1นส ah ุรอกอไมดไวัลกิจะบิลมูบินขอสาบานด้วยคำพีนอัลกุรอานที่ชัดแจ้งอัลมูบไนหมายถึงคำพีที่ชัดแจ้ง คำพีที ah ่อ um ัลลอะ a a อธิบายทุกอย่างในัมพ ah ah, ีของพระองค์นะพระองค์สาบานด้วยอัลกุรอานอินจ๊ะลนาห์คุรอานันอารบิย์ละเอลคุมต้ากลูนอัลลอฮอักบรสาบานด้วยอัลกุรอานเพื่อที่จะพูดถึงความสาคัญของอัลกุรอานเองอัลลอะลัยฮิ a l a a ลังจะบอกกับพวกกุรชว่า อัลกุรอานเนี่ยเป็นคำพีที่พระองค์ประทานลงมาให้กับพวกเจ้านะประทานลงมาทำไมประทานลงมาเป็นภาษาของพวกเจ้าเองด้วยอกุรอานนี่เป็นภาษาอะไรครับทำไมอัลกุรอานถึงเป็นภาษาอาหรับอายัดนี้อัลลอฮฺาลาบอกว่าอินน ja ่าเจลนาหฺอัลกุรอานันอาหรับียะเราได้ทำให้มันคำพีเล่มนี้ เป็นคำพภีรักรุรอานด้วยภาษาอาหรับมีประโยชน์อะไรที่อัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับมีฮิจมะอะไรเหตุใดอัลกุรอานจึงเป็นภาษาอาหรับเพราะอะไรครับอ ะ, ะ, ะก็เพราะกุเรชเป็นคนอาหรับ <g ül üyor> พระมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นคนเป็นคนอาหรับถ้ามูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเป็นคนจีน พวกโครชพูดภาษาจีนอัลกุรอานประทานลงมาเป็นภาษาอะไรก็รต้องเป็นภาษาจีนง่ายๆเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตะอาลาเวลาที่พระองค์แต่งตั้งมนุษย์ใครคนใดคนหนึ่งเป็นรอซูลพูดชัดเจนเลยอัลลอฮฺบอกชัดเจนเลยว่ารอซูลที่ถูกประทานลงมาจะต้องพูดภาษาเดียวกันกับกลุ่มชนที่ถูกส่งไป ในเมื่อกุเรชพูดภาษาอาหรับคนอาหรับในสมัยนั้นเผ่ากุเรชพูดภาษาอาหรับมันก็เหมาะสมที่อัลลอฮฺซุบฮฮนาอฺประทานอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาอาหรับเพื่อให้คนเหล่านี้ได้คิดคิดว่าอย่างไงละอัลลอฮมจะกรลูด um ให้พวกเจ้าไนี่เข้าใจเราจะละไม่ได้ประทานอัลกุรอานลงมาเพื่อให้พวกเราได้งง ไม่เข้าใจเป็นคาถาเป็นเวทมนต์เป็นภาษาที่ไม่มีความหมายไม่ใช่กุเรชเนี่ยพยายามจะปฏิเสธอัลกุรอานปฏิเสธทําไมอ่ะในเมื่อฟังแล้วเข้าใจไหมกุเรชจะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยฉันฟังไม่เข้าใจพูดอย่างนี้ได้หรือเปล่าอ้างอย่างนี้ได้ไหมจะอ้างได้ยังไงว่าฟังอัลกุรอานไม่เข้าใจก็ในเมื่ออัลกุรอานเป็นภาษาของใคร เป็นภาษาของตัวเองอะ่ะถ้าอัลกุรอานลงมาเป็นภาษาฮิบรูอ่าว่าไปจะอ้างว่าไม่ยอมศรัท ธ, ธาต่ออัลกุรอานเพราะอัลกุรอานไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นภาษาฮิบรูใช่ไหมหรือเป็นภาษาละตินเป็นภาษาโรมันอันนี้ก็พอจะมีข้ออ้างได้บ้างแต่ในเมื่ออัลกุรอานนี่ถูกประทานลงมาเป็นภาษาของตัวเองตัวเองฟังแล้วเข้าใจอัลตตาลาสื่อสารกับตัวเอ ง, งเข้าใจแล้ว แล้วเหตุใดจึงปฏิเสธปฏิเสธทําไมอ่ะนี่แหละนะครับไม่มีข้ออ้างถ้าจะบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยพวกกุเรชจะปฏิเสธอัลกุรอานเนี่ยเนื่องจากมันเป็นภาษาอาหรับเนี่ยอ้างไม่ได้่ะแล้วพวกคุเรชเองก็ไม่ได้พวกนี้เองเนี่ยพวกมักกะเองพวกมุกชริกีนเนี่ยไม่ได้อ้างเรื่องนี้เพราะว่ามันอ้างไม่ได้แน่นอนเราถ้าเราต้องการที่จะสกิดว่าสุบภาพนวลเราจริงๆแล้ว c o เรชน่าจะภูมิใจภูมิใจเรื่องอะไรครับภูมิใจที่คำพีของลัทวิอัลกุอาถูกประทานลงมาเป็นภาษาของพวกเขาไม่ได้ถูกประทานลงมาเป็นภาษาอื่นแล้วจะต้องเหนื่อยในการที่จะไปแปลความหมายไปเหมือนพวกเราที่จะต้องมานั่งงเรียนภาษาครับไม่ได้บอกว่าพวกเราทำมอัลกรุรอานถึงไม่ลงมาเป็นภาษาเรา <laughs> ไม่ใช่นะ อัลฮัมดุลิลลาห์ทุกวันนี้เราถึงแม้ไม่ใช่เป็นพวกอาหรับแต่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นอาหรับหรือไม่ใช่อาหรับที่จะเป็นคนดีเป็นคนที่มีความตักวใจเนี่ยท่านนาบีสุลต่านได้สร้างมาตรฐานมาตรฐานของคนที่จะได้ใกล้ชิดอัลลอฮฺตาอัลลเนี่ยไม่ได้ดูที่ว่าเขาอยู่ในเผ่าไหนเชื้อชาติไหนเป็นมลายูเป็นไทยเป็นเอเชีย ถ้าเอาอัลกุรอานของอัลตตาร่ามาใช้ก็สามารถที่จะเข้าใกล้อัลตตาลาได้เราพูดกันคนละประเด็นอยู่นะตอนนี้เราพูดกันในประเด็นที่ว่าทำไมอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับเราไม่ได้พูดว่าระหว่างอาหรับกับไม่ใช่อาหรับมันดีกว่าไม่ดีกว่านี่คนละเรื่องกันทุกวันนี้แม้ว่าอัลกุรอานจะลงมาเป็นภาษาอาหรับแต่เราก็เห็นว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับ เข้าใจอัลกุรอานได้บางทีคนที่ไม่ใช่ชาวอาหรับปฏิบัติและยึดตามอัลกุรอานดีกว่าคนอาหรับได้ซ้ำไปไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าไม่ได้ดูตรงที่ว่าคุณจะเป็นคนอาหรับเดิมหรือไม่ใช่อาหรับถึงจะได้รับตำแหน่งจากอัลลอฮ์ سبحانه และมันก็ประเด็นกันนะกับเรื่องที่ว่าทำมอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรับอัลกุรอานถูกทานลงมาเป็นภาษาอาหรับเพราะ ท่านนาบีมุัมมัดสัลลัาาลลอฮุสาลิมถูกแต่งตั้งมาลงในหมู่ชนชาวอาหรับเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ภาษาเดียวกันไม่อย่างนั้นมันจะมีปัญหามันจะมีข้ออ้างมากมายอันนี้คือเหตุผลประการหนึ่งและพี่น้องครับถ้าสมมติว่าเราจะพิจารณาให้ลึกซึ้งให้ดีเราก็จะเห็นเหตุผลอีกหลายประการ ที่ว่าทำไม่อะไรจึงต้องเลือกภาษาอาหรับมาเป็นภาษาสําหรับคำพีเล่มสุดท้ายของพระองค์ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มาัดจัดมากมาสัดจัมา ก, มามากนะครับทุกวันนี้เราฟังอัลกรุรอานเราชอบอีหมามคนไหนมีอิหมามในดวงใจไหมคำพีร์เนี่ยคำพีอรอัลกรุรอานซึ่งเป็นภาษาอาหรับกับหนังสือพิมพ์ที่เขาใช้ภาษาอาหรับเขียนนิตยสารภาษาอาหรับเขียน ภาษาอาหรับเหมือนกันแต่ว่าทําไมเวลาที่เราอ่านเราพูดอ่านเลิ่มันถึงรู้สึกว่ามันเอ้ยมันแปลกอะมันมีตัวจุิดของมันมิสมิลลาฮิราะห์มานิมีท่วงมีทํานองของมันอะอันนี้คือหนึ่งความสละสลวยในเรื่องของภาษาเป็นเรื่องหนึ่งที่น่ามหัศาจรรย์มากความลึกซึ้งของความหมาย ยิ่งมหัศจรรย์เข้าไปใหญ่สุภาพน้าหละแกะความรู้ไม่หมดนะครับอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺอักบารคือคือมหาสหมุทรอะเราแกะแล้วแกะอีกบทเรียนต่างๆที่เราได้จากอัลกุรอานเนี่ยแกะไม่หมดแต่ดับเบิเท่าไหร่ยิ่งลึกเท่าไหร่ยิ่งรู้สึกมหัศจรรย์ สุขานอัลลอฮนี่อา จ, จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมอัลกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับเป็นภาษาที่มักจะจันจริงจริงละอิลลัิลลอฮมุสลิมทุกคนต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับอย่างน้อยก็ต้องใช้มันเวลาไหนเราใช้ภาษาอาหรับเวลาไหนเวลาละหมาดไงอัลชาอัลลอฮมุสลิมทุกคนอย่างน้อยรู้มากกว่าหนึ่งภาษาแน่นอนแต่ภาษาของตัวเองภาษาไทยภาษามลายูอะไรก็ว่าไป นอกจากภาษาแม่ที่เป็นภาษาที่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดใช้ตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยภาษาอาหรับเป็นอีกหนึ่งภาษาที่เราได้โดยอัตโนมัติเพราะการที่เราเป็นมุสลิมอ่าต้องรู้จักอ่านอัลกุรอานต้องรู้จักอ่านดุอาต่างๆอัลฮัมดุลิลละและเราก็พิสูจน์ได้แล้วว่าภาษานี้มันไปทั่วโลกจริงๆมันใช้ได้ทั่วโลกจริงๆไม่ว่าจะเกิดในประเทศไหนอยู่ที่ไหนคุณก็สามารถที่จะเข้าถึง ภาษาของอัลกุรอานได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวมากน้อยแตกต่างกันไปไม่มีปัญหาแต่เราทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงว่าแต่เราไม่ได้ทําให้อัลกุรอานของพระองค์เป็นเรื่องอยากวะละก็เดียสซอรนัลกุรอานใลิซิกรบัลมินมดักเราทำให้อัลกุรอานเป็นเรื่องง่ายเป็นสิ่งที่ง่ายมีกี่คนที่จะเอาไปใช้นะทุกวันนี้เราเห็นเด็กๆทั่วโลกฟังอัลกุรอาน คนไทยมีไหมที่ท่องอัลกุรอานอชาลลอฮมีเป็นร้อยแล้วบางคนก็อ่านเพราะระดับโลกได้ที่หนึ่งของโลกนะคนไทยมีแข่งอัลกุรอานได้ที่หนึ่งของโลกใช่ไหมอัลชาลลอฮเห็นไหมเป็นภาษาของเราชาวมุสลิมนะครับเป็นภาษาของชาวสวรรค์นี่คือความยิ่งใหญ่ของภาษาเราเป็นภาษาของอัลกุรอาน เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเราเป็นคนไทยเราก็สามารถที่จะเข้าถึงภาษาของอัลกุรอานที่เป็นภาษาอาหรับได้เพราะฉะนั้นพวกมุชิลิกีนไม่อายบ้างหรือถ้าเราถามพวกอาหรับที่ไม่ยอมรับอัลกุรอานเนี่ยเฮ้ยมึงไม่อายบ้างเหรอมันภาษามึงเองนะภาษามึงเองมึงไม่ยอมศรัทธาเนี่ยไม่ยอมใช้เนี่ยต้องอายนะครับเนี่ยพวกมุชริกินทําไมถึงไม่อายพวกโปเรเเชทําไมถึงไม่ละอายแก่ใจบ้างหรือเราสารอุตส่าหให้เกียรต ด้วยการประทานอัลก <com> <lad sil> <idden> ุรอานลงมาเป็นภาษาของพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังไม่ยอมรับอัลกยุบิลลละฮาวลาวลาห์แต่อิลลับิลละอินนาจัลนาฮุคุรานน์อัลอาลิาเล علكم ت กิลูนอัลลอฮ์เจ็บนะเจ็บนะที่อ <wives> ัลลอลาบอกว่าเผื <n ates> ่อ er ว่าพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาพวกโคเรชมันไม่ยอมใช้เอาเนล่พวกเราทุกคนได้ใช้ปัญญาเข้าใจอัลกุรอาน ไอ้พวกที่เป็นอาหรับแต่ไม่ยอมศึกษาอัลกุรอานแสดงว่าพวกนี้ไม่มีอาการพวกนี้ไม่ยอมใช้ปัญญาลอิลล il ัอิลลอหว่าอินนั้นในอุนมิลกิตาบแลดีนาละอาลียุน ح กีมแท้จริงแล้วคำพิอัลกุรอานนี้ถูกจารึกเอาไว้แล้วในอุมมิลกิตาบอุมมิลกิตาบหมายถึงแมบ่บท ของคำภีทั้งหมดนั่นก็คืออละฮุลมะฮฟูสกระดานลาฮุลมะฮฟูอุมมิลกิจาพเนี่ยหมายถึงต้นฉบั บ, บของอัลกุรอานจริงๆอยู่ที่ไหนครับอยู่ในละฮุลมะฮฟูเลาฮุลมะฮฟูสไม่ได้บันทึกเฉพาะอัลกุรอานละฮุลมะฮฟูสบันทึกทุกอย่างบันทึกทุกอย่างทุกเรื่องรวมถึง อัลกุรอานและคำพีอื่นๆของ Allah ซุลกาอัลลอฮฺด้วยเพราะฉะนั้นคำพีอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัด ﷺ ต้นขั้วของมันอยู่ที่ไหนอยู่ใน Allah แสดงว่าเป็นคำพีที่สูงสุงนักต a f s i บอกว่าอัลวาฮาจะในต afsir อินอกาซิดนะครับท่านบอกว่าอย่างนี้วาลิฮาจะ ا س ت ن ب ط العلماء رضي الله عنهم من هاتين الآيتين أن المحدث الم لا يمس المصحف كما ورد به الحديث إن صح لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتمل على القرآن في الملأ ا الأعلى القرآن เนื้อต้นพวกลงมันอยู่ในละกุลมะฟุซึ่งมีสถานะที่สูงส่ง Lahul mahfuz yukab Allah, yubeng bun ke b a n d a r malaikah. Lepas b a n d a r malaikah ni, c h e r c h u hay gear, nakap, h d u l a raksama n yang di. Masya Allah. Lalu Al Quran t a i a m a j a k t o n t u h a n asal ini diterima oleh kita. Para u b a n d a r u l a m a k a t a bahawa t o n t u h a n Al Quran y a i a m b i l dari tuntuhan asal ini m e m p u n y a t k e u t a m a n ไม่ได้ต่างไปจากเกียรติของที่ถูกจารึกเอาไว้ในเล่าหุลมาฮ์ฟุสแต่อย่างใดเลยถ้าสมมุติเล่าหุลมาฮ์ฟูสสิ่งที่ถูกจารึกเอาไว้นอัลลอ์สุบฮานุจ่าลาบันดามอะไรกันให้เกียรติเพราะฉะนั้นอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาบนผืนแผ่นดินนี้ก็สมควรจะต้องได้รับเกียรติเช่นเดียวกันตังให้เกียรติอัลกุรอานในํานวนฮ um ุกมทางฟิก ที่อุลามะได้ถอดบทเรียนออกมาก็คือว่าไม่ออะไรนะคนที่มีฮัดัสไม่อนุญาตให้จับอัลกุรอานตระดบใดที่ตัวเองยังมีฮัดัสอยู่แต่มแปลว่าจะเป็นฮัดัสใหญ่หรือดัสกนี่คือหนึ่งในจํานวนการให้เกียรติมารยาของเราต่อคำพีของ Allah سبحانه และก็อาลลอฮอุลามะบางคน อุลามะไม่ใช่บางคนแหละอุลามะหลายคนคือไม่อนุญาตให้วางบนพื้นอันนี้เราต้องระวังหน่อยนะครับอัลกุรอานจะบอกอัลกุรอานที่เป็นอัลกุรอานทั้งเล่มนะเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานเนี่ยเราจะไปทําแบบเหมือนกับหนังสือทั่วๆไปเหมือนหนังสือพิมพ์เหมือนสมุดบันทึกอะไรไม่ได้ต้องให้เกียรติมันเพราะว่ามันเป็นพระดําดรัสของ Allah س ب ح ا ว ه و ت อาล ى وإنه في أم الكتاب الله تعالى بوه من يونين أم الكتاب نككنيلوه المحفوظ ل, الم ل د ن ا نقرأ ا ل ه لا عليٌ มีส م านะที่สู في س ُ م َ ع َ م ْ ما شاء الله الله أكبر เพราะฉะนั้นนะครับพวกเราถ้าเป็นอัลล์อัลกุรอานเราก็จะมีสถานะที่สูงส่งอัลกุรอานเนี่ยจะยกสถานะของมนุษย์ให้สูงส่ง เพราะตัวมันเองสูงส่งเนื้อหาของมันสูงส่งใครก็ตามที่ใช้ชีวิตอยู่กับอัลกุรอานก็จะเป็นคนที่สูงส่งเหมือนกับความหรือว่าสถานะของมันนะครับและอัลียนแปลว่าสูงส่งฮาคีมหมายถึงเต็มไปด้วยวิทยาปัญญาสรุปง่ายๆก็คือเป็นของที่มีราคาสูงมากอัลกีมะอัลอีมะ สูงส่งและเต็มไปด้วยประโยชน์เต็มไปด้วยฮิทคือมเต็มไปด้วยความรู้เต็มไปด้วยคําสอนที่ทรงคุณค่านะครับนี่คือสถานะของอัลกุรอานแล้วทําไมพวกโเริจึงไม่ยอมรับอัลลอฮฺอักบารละฮาวล่าวะลาหกุวะตะอิลลาบิลลาะอัฟนัดริบุอันคุมุลจิกราซัฟฮัน อังคุนตุมข้าวมมุสริฟีนอั Allah ลลอฮฺ ت ع ا ل ามทามุมกุเรชวาพวกเจ้าคิดว่าเราอฟนอดริบอังคุมุซิกน่นะภาษาไทยแปล ว, ว่าอย่างนี้นะตอนนี้เราจะให้เราหันเอและหยุดส่งข้อตักเตือนนี้มายังสู่เจ้าเพียงเพราะสู่เจ้าเป็นผู้ฝ่าฝืนกระนั้นหรื อ, อพวกเราเข้าใจว่ายังไงอธิบายอย่างนี้ พวกโคเรชเนี่ยตอนที่อัลกุรอานมาเนี่ยยอมรับไหมไม่ยอมรับปฏิเสธอัลตัลลัก็เลยถามว่าเจ้าคิดว่าการที่พวกเจ้าไม่ยอมรับอัลกุรอานเนี่ยจะทําให้เราหยุดประทานอัลกุรอานลงมาอย่างนั้นเด้อไม่แน่นอนว่าไม่ใช่ทาถามนี้เขาเรียกว่าอัลอิสกิฮามูอลอิงการิถามเพื่อที่จะปฏิเสธว่าไม่มี พวกเจ้าจะรับหรือไม่รับอัลกุรอานเราก็จะประทานลงมาให้กับเจ้าอยู่ดีจริงๆแล้วมีคําอธิบายของนักตักซีรบางท่านนะครับน่าสนใจอิบเนกาสิรได้บอกว่าอิคตาล์ฟัลมุฟัสซิรุนทีมีคาฮมามีการขีละมีการตัดเยี่ยงการเรื่องการให้ความหมายอายะที่ข้อนี้นะครับฟะคีละมีคามหมายัตฮับูนอันนั้ฟะฮะกุม فلا نعذبكم ولا ولم تفعلوا ما أمرتم به เจ้าคิดว่าเราจะปล่อยปะละเลยไม่ลงโทษพวกเจ้าเหรออันนี้คือหนึ่งในจำนวนตัพซิดในเมื่อปฏิเสธแล้วเจ้าคิดว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ลงโทษเจ้าเหรือเป็นไปไม่ได้คนที่ปฏิเสธว่าอยู่หอกจ้าละสุดท้ายจะต้องได้รับ โท oh, ah Allah อย um um al ่างแน่นอนในขณะที่ตาดะท่านบอกว่าอย่างไงอัลลอฮรา ع حين ر د ت و ا ئ ل ه ذ ه ا ل ْ أ ُ م ح ا ل ك ُาสมุิว่าอัลกุรอานเนี่ยยุดประทานลงมา ตอนที่คนรุ่นแรกพวกมุสริกีนุ่นแรกเนี่ยปฏิเสธอัลกุรอานแล้วอัลตัลัยหยุดประทานลงมาเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมครับอัลตาัลาัยจะส่งการลงโทษของพระองค์ลงมาตอนนั้นเลยถ้าอัลกุรอานหยุดประทานลงมาแต่ด้วยความเมตตาของล l l a h อัลตาลาไม่ได้ลงโทษแต่พระองค์ประทานอัลกุรอานลงมาเรื่อยๆจนครบ20กว่าปีเป็นความเมตตาจาก Allah ถ้าสมมติอัลตาลาหยุด แรที่ท่านนาบีสุสลตล่านเรียกร้องสู่อิสลามเนี่ยพวกมุสลินไม่ยอมรับนะพระองค์หยุดกระทำตอนนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราอาจจะลงโทษพวกกูรชทให้หมดเลยนะครับแต่ด้วยความเมตตาของพระอาจำได้ไหมตอนที่ท่านนาบีสุสลต่านไปที่ตา อ, อฟีฟไปได่าว่าให้คนตาอีฟรับอิสลามฮะถูกไล่กลับมา พอถึงระหว่างทางมาลายกัสมาบอกว่าเอาไหมจะให้ฉันเอาสองเอาภูเขาสองลูกนี้มามาถล่มพวกพวกพวกไ อ, กอ้อันนั้นพีบอกว่าอัลลอฮฺมะฟิร์ลีกอุมีแต่นำมุลลาอิยัาลามูนก็อัลลอฮฺจะไปโทษให้กับพวกของชันด้วยเพราะเขาเหล่านั้นไม่รู้ฉันหวังว่าลูกหลานของเขาเนี่ยจะรับอิสลามวันนี้พ่อเขาไม่รับอิสลามอคนในยุคปัจจุบันไม่รับอิสลามแต่ถ้าสมมุติ เขามีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยอาจจะมีลูกหลานที่ยอมรับอิสลามและแน่นอนนะครับลูกหลานของชาวต่ออิฟหลังจากนั้นจะรับอิสลามทั้งหมดอันนี้คือความเมตตาจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เพราะฉะนั้นพวกเจ้าอย่าคิดว่าพวกเจ้าจะปฏิเสธอัลกุรอานและเราจะหยุดประทานอัลกุรอานลงมาเราจะประทานลงมานะครับนี่คือความเมตตาของพระองค์ Allah นะครับอ an kuntum قوم م ม س ر มมِّ ث ي ن Akbar. لا الله, لا الله. ال um h อัลลอฮ์มากกว่าไม่ไอละไม่ละลาอัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลอฮ์อับลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลวอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลเราอัลลอฮ์อัอฮ์อัลลออัลลอฮ์อันอฮ์อลอัลลอฮอลออ มหาอัลกุรอานไม่ต้องกลัวอัลกุรอานยังอยู่กับเราอเมื่อไหรก็ตามที่อัลกุรอานถูกยกไปอ่านั่นเราวังให้ดีในจนํานวนสัญญาณวันกิยามัดก็คือเราจะละชัยยกอัลกุรอานกลับไปยกอัลกุรอานกลับไปนี่คืออะไรครับขึ้นไปทั้งเล่มอย่างนี้ไหมขึ้นบนฟ้าไม่ใช่ยกอัลกุรอานกลับไปเนี่ยด้วยการเอาความรู้ออกจาก เอาความรู้ศาสนาเอาความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความศรัทธาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอคิอรห์เนี่ยให้มันหายไปจากหัว อ, อกของบรรดาอุลามะและเมื่อไรก็ตามที่ไม่มีอุลามะไม่มีผู้รู้ไม่มีความรู้ศาสนานั่นแหละคือความหมายของการยกอัลกุรอานกลับไปหรือว่ายกความรู้ศาสนากลับไปเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ยังมีอัลกุรอานอยู่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์ ยังมีคนสอนอัลกุรอานอยู่อัล hamdulillah เราเองก็ยังเรียนอัลกุรอานอยู่แสดงว่าเรายังมีโอกาสที่จะรอดนะเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วเป็นคนทะเลทรายเป็นคนเลวแค่ไหนตราบใดที่อัลกุรอานยังอยู่บนพื้นแผ่นดินอัลลอฮฺยังมีความเมตตาของพระองค์ให้กับเราอยู่กลับมาเถิดกลับมาสู่อัลกุรอานของพระองค์นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอัลกุรอาน อัลกุรอานไม่ใช่เป็นของสูงแต่เป็นสิ่งที่เราเข้าถึงไม่ใช่ของสูงที่เราเข้าไม่ถึงอัลกุรอานเป็นของสูงใช่อัลกุรอานเป็นของที่สูงส่งแต่ถามว่าสูงส่งเนี่ยมันุษอ์เข้าถึงไหมมนันต้องเข้าถึงแล้วตเราต้องการที่จะใช้อัลกุรอานเนี่ยยกระดับเราอ่มันไม่ใช่ของสูงที่เราเอื้อมไม่ถึงไม่ใช่เราสามารถที่จะเข้าถึงความสูงส่งของอัลกุรอานได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยคนจน อ๋อคนที่เกิดในตระกูลดีคนที่จะเกิดในตระกูลธรรมดาแต่ที่น่ากลัวก็คือส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่กับอัลกุรอานเป็นพวกไหน <laughs> เป็นคนธรมธรมดาธรรมดานี่แหละแล่วคนยิ่งสูงอ่ายิ่งไม่เอาอัลกุรอานอัลลอฮซุลเลาะห์ลาฮาอุลลอฮ์ลาะจัยลาบิลละเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันในสุโรห์นี้ก็พูดถึงคนแบบนี้เหมือนกันตะซุฮครุฟ เราสาราบอกว่าถ้าพระองค์ไม่กลัวนะจะไม่ต้องบอกก่อนตอนนี้เดี๋ยวค่อยบอกตอนนู้นก็แล้วกันนะครับว่าคนยิ่งมีเนะหมัดมีความสะดวกสบายในชีวิตที่จะเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลกุลัยซุบิลลาฮ์ลาฮาว ล, วลวา่าวะลาฮกูอัตอิลลาบิลลาฮ์อ่ะได้ฮะอายัดเองนะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวมาต่ออีกสามอายัดในแอปไปก็แล้วกันหมดเวลาหรื อ, อยังอ๋อยังมีอีกอ่ะสามสิบแปดอ่ะ อ่านสามสิบแปดอ่านต่อถ้างั้นนึกว่าสามสิบอีกแปดนาทีนะครับ Welcome أرسلنا من نبيٍ في الأولين ห้าอายัดแรกเนี่ยห้าอายัดแรกเป็นการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานและเป็นการตำหนิบรรดาพวกมุชริกีนที่ทําท่าทีปฏิเสธไม่ยอมรับอัลกุรอาน ทีนี้พอพูดอย่างนี้เสร็จปุ๊บหันมาพูดกับท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเพราะท่านนาบีนี่เป็นคนเอาอัลกุรอานมาให้พวกกุเรชเวลาที่พวกปุรชไม่ยอมรับอัลกุรอานคนที่เอามาให้รู้สึกยังไงอ่าบางทีมันก็มีมั้งอ่ะใช่ไหมครับรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะถึงไม่ยอมรับอัลลอฮ์ต้าลาลก็เลยปลอบโยนภาษาอาหรับเรียกว่าทัสเลีย ทัศลีย์ก็คือการปลอบใจว่าขมอัลสลนามินนบีญในอววไลนมุฮัมมัดเจ้าไม่ต้องเสียใจเพราะอะไรเราได้ส่งนบีมาไม่รู้ตั้งกี่คนมาแล้วก่อนหน้านี้กี่คนครับนบีก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดโอ้เยอะมากนับไม่ถ้วนอ่ไไออ า, าไม่ได้บอกอัลต่าเราไม่ได้บอกว่าเท่าไหรเยอะมากอที่เรารู้ก็คือยี่สิบสี่ยี่สิบห้าคนแล้วนบีทุกคนนี่เป็นยังไง สภาพเดียวกันหมดเลยว่มายะให้มมินบีอิลล่าบยจเตะจูไม่มีนบีคนไหนที่มาถึงประชาชาติของพวกเขาเว้นแต่ว่าคนเหล่านั้นจะล้อเลียนนบีของพวกเขายเยอะเยอะ่อโดนเยอะเยอยทุกคนเลยนบีนูดโดนเยอะเย่ยไหมโดนเยอะเย อ, อนเ ย, อยอนบีนูนี่ทำอะไรครับทำเรือบนบก น้าพ nah, ักพวกเดินมาถึงพวกอ้าล ah, ah ูกเป็นบ้าไปแล้วท ah ําเรือบนบกแต่สุดท้ายเป็นยังไงน้นบีพูดก็โดนเยอะเย้ยนบีอาแหละโดนเยอกเย้ยนบีทุกนบีทุกคนโดนเยอกเย้ยหมดนบีมูซานบีอิสซาอะไรเสร็จมาถึงนท่นนบีมุ hammad สัลลัลลอฮุสซาลาหมะมุลลัมเป็นสุนนตุลลอห์เป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮากำหนดมาอย่างนี้ทุกนบีได้รับการปฏิเสธต่อต้านเยอกเย้ยหักทางล้อเลียน นบีมโหมัสลลัลลลอฮุซุลเลมจะตายไปแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีคนยังมีคน ล, ล้อเลียนอัลัยาอุบิลละแต่ระวังให้ดีนะครับส่งนบีมาปุ๊บพักพวก ล, ล้อเลียนปุ๊บผลสุดท้ายมันก็จะเกิดแบบนะมันก็จะเกิดเหมือนกันเหมือนกันะผลสุดท้ายของมันคืออะไรประหลักนาอัชจดมินอุมบักชาวะมาดามสลุลอวุล เวลาที่ปฏิเสธเวลาที่ล้อเลียนเยอะเย้ยอัลลอฮฺตาลาก็จะทําลายจะลงโทษนบีทุกคนประชาชาติของนบีทุกคนพอประชาชาตนพอนบีเนี่ยได้รับการล้อเลียนประชาชิของนบีทุกคนล้อเลียนท่านนบีของตัวเองอัลลอฮฺตาลาก็จะเส่งกทลงโทษมาแต่ละแต่ละพวกแต่ละประชาชาติไม่เหมือนกันนบีนูประชาชิของนบีนูน้ําท่วม ประชาชาติของนบีฮูดพวกอารส่งลมมาพายุมาไม่เหลือนะครับตายหมดเกลี้ยงไม่เหลือเหลือแต่ตออย่างเดียวต้อนอิตาาลำเหลือแต่ตอนบีซอเล์เสียงกำปนาดเสียงดังกุกทุกมาครั้งเดียวจบนบีมูซาฟิรอาวจมน้ำทะเลนะครับ นบีอะไรอีกหลายหลายคนนบีชูยงทั้งหมดทั้งปวงนั้นเป้อะเล็กในเราได้ทําลายแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮฺะลัยฮิสซาบอกว่าอาชัดจะมินฮอมแข็งแกร่งกว่าคนในยุคปัจจุบันพวกโคเรชเนี่ยเดินทางไปเยเมนเนี่ยผ่านสถานที่ของพวกสมุทรไอสถานที่ของพวกอาร์ต อิรมาดะต์ลอมาตพวกอาตเนี่ยเป็นพวกที่มีเสาใหญ่ๆสร้างบ้านกับพวกเขาเลยอย่างเงี้ยมีความแข็งแกร่งมีพลังเยอะกว่าพวกมุสลิกินกัวรชเยอะมากเลยแต่ถามว่าอาตตายไหมตายเพราะฉะนั้นอย่าได้คิดอาหางการอย่าคิดที่จะตะกรบบหรกับอัลลอฮ์ไม่มีสิทธิ์เลยนะครับที่กัวรชตะกรบบรกต่ออัลลอฮ์ ขนาดอาร์ตอลาตอาลายัางทำลายได้แล้วพวกโกริชจะเหลืออะไรซมูตรก็เหมือนกันนะสมูต์ตอนนี้เขาเปิดให้เที่ยวแล้วที่เมืงองอัลอูลานะครับที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยไปดูเลยสถานที่ของพวกซมุต์สร้างบ้านแกสลักภูเขาทั้งลูกอ่ะเป็นบ้านอ่ะไม่ใช่เล็กๆนะครับดูเราเพดานมันโอบไม่รู้ต่อคนขึ้นไปกี่คนกว่าจะถึงเพดานอ่ะนี่คือพวกซมูตร ้ำไม่เหลือแต่นภาษาอะไรกับคนตัวเล็กๆอย่างพวกโกเรชึ่งไม่ได้มีอรารยธรรมเหมือนกับสมุทหรือพวกอาดคนเหล่านั้นอาชัดเดมินโฮกแข็งแกร่งกว่าพวกโกเรชแต่ถูกอัลลอฮฺตรัสทำลายเพราะฉะนั้นระวังเอาไว้นะคนที่จะเลอ ะ, ะเยอะเยอะมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสแลล่าพวกเจ้าไม่ได้มีกําลังมากเหมือนอาดไม่ได้มีกําลังมากเหมือนสมุทคิดหรือ ว่าจะปลอดภัยหรือเวลาเจ้าเราตาลาลงโทษพวกเจ้าพวกเจ้าจะต้านทานเอาไว้ได้ไม่มีทางว่ามดอมสลุลอวลีมันผ่านไปแล้วมันจบไปแล้วการลงโทษอัลลอฮฺตาลาเนี่ยทุกคนก็ประจักษ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อรู้แล้วว่าบั้นปลายของคนที่ปฏิเสธบั้นปลายของคนที่เยอะเย้ยตก่าง รอสูล ا อง a l l سبحانه و ะ تعالى จะเป็นอย่างไรดังนั f, al am, uh ah ้นเลิกเสียนะครับจากพฤติกรรมเหล่านั้นพระหลัดอัลอจะไม่ทรงไว้อย่างแน่นอนนะครับ والعياذ باللهأعوذ بالله من ذلكلا حول ولا قوة إلا باللهInshaAllah ได้แล้วนะครับพรบารีเป็อายัดสาหรับคำกนณีนะครับจากตอนสุรุตซุครฟ تعالى ع ل م وفقنا ل ل ه وإياكم لما يحب ويرضى َصَلَى وَصَحْبِهِ اللَّهُ عَلَى وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمِ الْعِزَّةِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ نَبِيِّنَا سُبْحَانَ أَمَّا الْعَالَمِينَ يَسِيثُونَ مُحَمَّدٍ رَبِّكَ رَبِّ ل ัลลอฮฺลงโทษผู ل م ี่ไม่ ل ู้จัก و ب ลธรร ه